ตตะภควาโตรหาโตสัมมาสัมปุทธสะนมโมตสะภควาโตรหาโตสัมมาสัมปุทธสะ <c oughs> ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองขอนมัการรรพะธขอนอบรรอนอบ้นอมแด่พระสงฆ์ขกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณผู้เป็นอาจารย์ ขอแสดงความเคารพต่อพระเถรานุเถระผู้มีภรรษายุการเจริญพรสามเณรและญาติโยมบาสุกบาสิกา <c oughs> วันนี้ก็มีโอกาสมาพูดธรรมะโดยบังเอิญ <c oughs> เพราะว่าเขาไปกันหมดไม่มีใครอยู่ <c oughs> วันนี้ก็จะพูดเรื่อง <c oughs> อริยสัจอริยสัจนี่เป็น <c oughs> การตัดรูลของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ท่านจะตัดรู้อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐความจริงที่บุคคลรู้แล้วทำให้ใกลจากอิเดชความจริงที่เม <c oughs> <c oughs> <ME> ื่อบุคคลรู้แล้วย่อมคนจากทุกข์ทั้งปวงได้ความจริงอันประเสริฐ ก็คือข้อแรกก็คือทุกข์ทุกข์คือความทนยากทนลำบากทนไม่ได้ทนเหนื่อยทนเหน็ตลำบากยากเห็นที่จะทนการเกิดเป็นทุกข์ การแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าพิริพิไรลำพันธ์ความทุกข์กายทุกข์ใจความคัดคับแค้นใจ <c oughs> ก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากของรัก <c oughs> การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สรุปแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านแยกแยะทุกข์ให้ละเอียดละออให้บุคคล ผู้จะปฏิบัติธรรมได้รับรู้เป็นสิ่งแรกนั้นก็เพราะทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพราะถ้าไม่กำหนดรู้ทุกย่อมไม่เข้าใจความเป็นจริงย่อมไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากทุกได้ เหมือนบุคคลที่นอนอยู่ในถำ้ำที่มีเสือนั่งอยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้บุคคลเหล่านั้นถ้าหากยังไม่รู้ว่าในถำ้ำของตัวเองที่นั่งอยู่น่ะ มีเสือแล้วก็จะไม่เกิดความเพียนที่จะขวนขวายที่จะออกจากค่ำนั้นไปถ้าหากยังไม่รู้ว่าบ้านที่เรานอนเอกเหนกอยู่นี้กำลังถูกไฟไหม้ก็ไม่คงไม่มีใครคิด จะขยับขยายรีบพลว้นควายออกไปเพราะฉะนั้นทุกจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ <c oughs> การแยกแยะทุกให้ให้ฟังมากๆนี่ <c oughs> เพื่อบุคคลที่มีปัญญายังหยาบอยู่ จะได้รู้จักขวนขวายมามีความเพียรในการปฏิบัติธรรมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกที่จะเจอกับนักปฏิบัติธรรมในเวที ที่จะต่อสู้กับกิเลสทุกนั้นก็คือความยึดมั่นในขันห้าคือความมีอุปาทานในขันห้ายึดถือว่าขันห้านี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเรา เรามีในขันห้าขันห้ามีในเราอันนี้การที่จะเข้าไปเห็นขันห้าได้การที่เราจะไปถอนอุปาทานในขันห้าก็ต้องเห็นขันห้าอันนี้ขันห้านี่มันอยู่ที่ไหนขันห้ามันอยู่ใน ป่าสงวนหรืออยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออยู่ในเจดีอยู่ที่ไหนเราต้องเราต้องทำความเข้าใจก่อนความจริงขันห้าเนี่ยมันก็คือกายและใจเรานี่เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะที่อายตนะกระทบอารมณ์ เมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องโพธิภพใจรับธรรมอารมณ์ขันห้าเกิดดับตรงนั้นและขันห้านี่ <c oughs> มันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ทน เมื่อมีเหตุปัจจัยให้ขันห้าเกิดขึ้นขันห้าก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยพร้อมให้ขันห้าตั้งอยู่ขันห้าก็ตั้งอยู่เหตุปัจจัยพร้อมเหตุปัจจัยหมดขันห้าก็ดับลงอันนี้ขันห้านี่มันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ไหน มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามทวารทั้งหกอันนี้ในภาคปฏิบัติที่เราจะมายัางรู้ขันห้าการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปของขันห้า เราก็ต้องมีเครื่องมือมีเครื่องมือก็ก็คือเราต้องมีสติต้องมีสติม่อย่างรู้ในปัจจุบันขณะขณะกระทบอารมณ์ <c oughs> เมื่อสติเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยในการที่จะกำหนดขันห้า เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกพ <c oughs> เดชพระคุณท่านจะเน้นเสมอให้ลูกศิษย์ขวนขวายอบรมเว้นธรรมในการเจริญสติ ท่านจะบอกท่านจะบอกลูกศิษย์ว่าถ้าเราเป็นวิปัสสนานะต้องเป็นวิปัสสนาไก่ชนไม่ใช่เป็นวิปัสสนาไก่แจ้คำนี้นี่ตั้งแต่ผมมาวัดไสงามใหม่ผมรู้สึกประทับใจกับคำนี้มาก หลวงพ่อท่านก็อธิบายให้ฟังว่าไก่แจ้เนี่ยมันป้อไปป่อมาท้าสวยแต่เวลาชนกันจริงๆแล้วมันมันไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลิกมันได้จะป่อไปป่อมาไก่ชนเนี่ยมันจิกกันจิกจนเลือดแดงทั้งตัวแต่มันก็ยังจิกกันต่อ อันนี้หลวงพ่อท่านในอดีต ท, ท่านเคยเลี้ยงไก่ไว้มากท่านเข้าใจเอามาเปรียบเทียบให้เราฟัง <c oughs> ท่านมักจะพูดให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่า <c oughs> เป็นวิปัสสนานะ <c oughs> ให้เป็นวิปัสสนาไก่ชนอย่าเป็นวิปัสสนาไก่แจ้คือ ต้องทำตัวในให้เกิดให้มีตัวในที่เราจะตัง้งอันดับแรกแรกเริ่มเลยก็อาตาปีสัมปชาโนสติมาพึงมีความเพียร มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมและมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวนนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนืองอยู่คือเริ่มต้นที่เราจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นนักวิปัสสนาสิ่งแรก ที่ต้องอาศัยมากมากก็คือความเพียรอันนี้ในพระสูตรท่านกล่าวไว้แค่ความเพียรแต่ในความเพียรเนี่ยในความหมายอันลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะมีความอดทนอยู่ด้วยเพราะบุคคลใดไม่มีความอดทนความเพียรจะเกิดไม่ได้ เริ่มต้นนี่ปฏิบัติมันไม่ได้อะไรหรอกปิติมันไม่เกิดตัวหล่อเลี้ยงใจความชุ่มชื่นมันไม่มี <c oughs> ปฏิบัติไปก็แห้งแล้งมันไม่มีปิติหล่อเลี้ยงใจนักปฏิบัติใหม่ๆ <c oughs> ฉะนั้นความเพียรเนี่ยต้องคู่กับขันติต้องมีความอดทนต้องประกอบด้วยศรัทธา <c oughs> ต้องประกอบด้วยศรัทธาว่าถ้าเราไม่เห็นภายในเราก็ดูภายนอกไว้ก่อน <c oughs> ดูภายนอกก็ดูง่ายๆว่าเออถ้าหลวงพ่อใหญ่ท่านไม่ดีจริงเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาคงไม่เต็มประเทศไทยเนี่ยหรือหรือเราจะคิดไปว่าเออถ้าหลวงพ่อใหญ่เนี่ท่านโกหกเขาเนี่ย มันก็คงไม่มีคนมาอยู่ด้วยนานๆงิ น, นเยอะแยะ <c oughs> หรือเราจะคิดว่าเออท่านหลวงพ่อใหญ่ไม่ดีจริงนี่คงสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดใหญ่ๆอย่างนี้คงไม่ได้เราก็คาดเดาวไว้ก่อนว่าของที่ทนต่อการที่สูรในระยะเวลานา น, านเนี่ยแสดงว่าเป็นของแท้ <c oughs> เราคิดอย่างนี้เราก็เกิดศรัทธาเวลาได้ยิน เ, เดี๋ยวนี้ก็พระเดชพระคุณไม่ค่อยได้มาให้อารมณ์ก <c oughs> ็ <c oughs> แต่ว่ามีโอกาสได้เห็นลูกศิษย์รุ่นพี่ <c oughs> หลายองค์หลายท่านท่านมา กล่าวธรรมะชักจูง <c oughs> อันเราก็เกิดศรัทธาขึ้นมาบ้างอันนี้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจมันทำให้ชุ่มชื่นอยู่ได้ปฏิบัติใหม่ๆมันยังไม่มียังไม่มีปิติเราก็ต้องเอาศรัทธาไว้ก่อน <c oughs> มีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอ <c oughs> ศรัทธามากๆไม่มีปัญญาเลยก็ไม่ดีอันนี้ปัญญาเนี่ยเราจะเห็นอะไร <c oughs> ปัญญาเนี่ยถ้าจะกาจัดถ้าเราจะพูดสั้นๆก็คือปัญญาเห็นความเกิดดับ <c oughs> เป็นเบื้องต้น <c oughs> อันนี้การเกิดดับมีหลายระดับ <c oughs> เมื่อเรายังปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยสติเรายังหยาบปัญญาเรายังหยาบเราจะไปเห็นความเกิดดับลึกซึ้งของการเกิดขันห้าในขณะกระทบอารมณ์ตามทวารต่างๆเนี่ยเรายังไม่เห็นถึงขั้นนั้นอันนี้เราก็ต้องคิดไปถึงเรื่องความเกิดดับที่เห็นด้วยตาเปล่าก่อน ความเกิดดับที่เห็นในตาเปล่าก็คือความตายคนเราเนี่เกิดมาเนี่ยเอาความตายมาด้วยเกิดร้อยก็ตายร้อยเกิดพันก็ตายพันความเกิดกับความตายก็คืออันเดียวกัน <c oughs> ความเกิดเป็นเจ้าของความตายความตายเป็นเจ้าของความเกิดเหต ที่ขึ้นพ้นดินมาย่อมพาดินติดมันมาด้วยฉันใดบุคคลทุกเกิดมาในโลกนี้ย่อมพาความตายติดตัวมาด้วยฉันนั้นน้ําที่ไหลาจากที่สูงย่อมไหลลงต่ำถ่ายเดียวไม่ย้อนกลับเหมือนชีวิตของเราเนี่ยนับวันจะบ่ายหน้าเข้าสู่ความตายทุกวันไม่เคยเบรกไม่เคยย้อนกลับ มีแต่จะบ่ายหน้าเข้าหาความตายอันนี้ว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะเอาอะไรไปทรัพย์สมบัติ <c oughs> เงินทองกองท่วมหัวไม่ได้ไปเลยสักบาทเดียวไล่นาสาโทร้รอยไล่พันไล่ ไม่ได้ขนไปเลยแม้แต่ตารางวาเดียวถ้าเราเอาชนบทเก่าๆมาดูเนี่ยเราจะรู้สึกสังเวชชนโนทเก่าๆ เ, เนี่ยพอ <c oughs> จะจารึกชื่อของผู้ครอบครองที่ดิน <c oughs> มาหลายชั่วอายุคนบางชื่อ สมัยยังเรียกว่าอำแดงอะไรนู่นเลย <c oughs> ไม่รู้กี่คนเนี่ยที่ครอบครองแผ่นดินอันนี้มาฉโดดใบนี้ <c oughs> เวลาตายไปเนี่ยที่ดินก็เหลือเท่าเก่า <c oughs> แ, แดงว่าบุคคลไม่สามารถเอาเอาที่ดินไปเมืองผีได้แม้เงินใส่ปากเนี่ย ที่ว่าอย่าให้พ่อให้แม่ติดไปเมืองผีน <c oughs> เนี่ยเงินใส่ปากส่วนใหญ่เนี่ยจะบำรุงลงจะไปลงขวดเหลา้ามากจับปลเหลือไปซื้อเหล้ากิน <c oughs> ผมเคยเจอสับปลาเหลือบางค น, นเขาเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เวลาเขาจะเผาผีเนี่ย บางทีก็เอาลูกหลานเอาแบงร้อยใส่ปากนะ <c oughs> เวลาเขาจะเผาเนี่ยใจจริงสตเป็ลือกอยากจะให้มันอยู่ในปากต่อไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็เห็นแน่แน่มันไหม้ไฟท่าเดียวอยู่แล้วเขาก็เลยจำเป็นต้องดึงออกจากปากเอาไปซื้อเหล้ากิน ในเขากระท ำ, ำในจําใจความจริงแล้วเนี่ยบุคคลทั้งหลายเนี่ยตายไปไม่ได้เอาสมบัติไปอันนี้สิ่งไหนที่ตายแล้วจะเอาไปได้สิ่งที่ตายและ้วะเอาไปได้ก็คือบุญและบาปอันนี้บุคคลที่เกิดมาในโลกเนี่ยบุคคลผู้ประมาทในวันเวลากับบุคคลที่ไม่ประมาทในวันเวลาเนี่ยมันคิดต่างกัน บุคคลผู้ประมาจ ก, ก็คือไม่รู้จักคิดกําไรขาดทุนคำว่ากําไรขาดทุนก็หมายถึงว่าไอ้วันเนี่ยเราทาชั่วไปเท่าไหร่ทาดีไปเท่าไหร่แล้ว เ, เกิดมาเนี่ยเราทาดีมากน้อยแค่ไหนทําชั่วมากน้อยแค่ไหนตายไปเนี่ยเราจะเดือดร้อนในปาโลกหรือเราจะไปสบายอันนี้ บุคคลผู้ประหมาเยังไม่คิดเรื่องนี้ <c oughs> คิดแต่จะสนุกไปวันๆเส้นแรงเต้นกาในปากมัจจุราชสนุกสนานในบ่วงมานบุคคลทั้งหลายที่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคือเขาจะหาบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือก็ตามทิศใต้ก็ตามทิศตะวันออกตะวันตกก็ตาม แต่ทุกคนไปที่เดียวกันคือไปป่าช้าเส้นทางการเดินของทุกคนเนี่ยอาจจะบาบหน้าไปทางเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกบ้างตะวันตกบ้างจะจุดหมายของทุกคนในที่เดียวคือไปป่าช้ากันหมดไม่มีใครเหลือสักคนเวลาเราไปไหนเนี่ยให้นึกถึงว่าเหมือนกับว่าความตายตามเราไปทุกย่างก้า เหมือนกับพยาเหมือนกับมีเพชคาดเนี่ยถือดาบเงื้อตามหลังเราอยู่พร้อมจะฟันทุกเมื่อภาษาเหตุแห่งความตายมีมากมายเหลือเกินชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยความยากลำบากจะอยู่ได้แต่ละวันต้องมีเหตุปัจจัยมากมายเหลือเกินต้องมีปัจจัยสี่อาหารเครื่องนึง่งห่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและจีปาถ่ยิ่งยุคนี้ยิ่งมากต้องมีพัดลมมีตู้เย็นมีโทรศัพท์มือถือมีอะไรเยอะๆเหตุปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตเนี่ยมันมีมากแล้วเกินเพราะฉะนั้นแสดงว่าการดำรงชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่ความตายเนี่ยมันง่ายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแ ร่างกายของเราเนี่ยเป็นสาธารณะแกมมูลนอนและเชื้อโรค <c oughs> และมแมลงต่างๆอยู่เสมอให้เราสลดใจเถอะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงมันเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่สาธารณะของพวกมู ล, นอ น, มลนอนและเชื้อโรคทั้งหลายเราไม่สามารถจะปิดประตูกันมันได้เลย เขาถึงบอกว่าโลกอยู่ในกายก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยาอยู่ในป่าทั้งไกลใช้ประโยชน์ได้คือร่างกายเนี่ยมันก็เป็นสาธานณพยาในตัวเรามันก็ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของมันด้วย <c oughs> เป็นที่กินที่ขี้ที่เยี่ยวที่ผสมพันธุ์ที่ตายเป็นป่าช้าเป็นอะไรของมันเสร็จเป็นที่ออกลูกออกหลานเผ่าพันธุ์ ไม่มีไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเมื <c> ่อ <oughs> เราเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเนี่ยเราก็ต้องมาคิดคำนวณกำไรขาดทุนนะ <c oughs> เราต้องมาคิดคำนวณําไรคิดคานวณกำไรขาดทุนว่าอะไรที่ตายแล้วเอาไปไม่ได้ต้องนึกถึงให้น้อยๆลงหน่อย อะไรที่ตายแล้วเอาไปได้เดี๋ยให้นึกถึงให้มากๆลขึ้นมาหน่อยอันนี้อะไรอ่ะที่ตายแล้วเอาไปไม่ได้ผัวลูกบ้านช่องทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนที่นารถพวกนี้อัตตายแล้วไปไม่ได้หมดเลย อะไรอ่าที่ตายแล้วเอาไปได้มรรคผลนิพพานบุญกุศลอันนี้เมื่อเราเห็นว่าความตายเนี่ยมันความชีวิต ท, ที่เกิดมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษเขาไม่ได้ให้ความโสภามาอย่างเดียว ก็ให้มันล่อเหยื่อเท่งนั้นเองเหมือนก็ให้ไส้เดือนมาเพื่อให้ปลาติดเบ็ดก็ให้ความสาวแก่พวกเรามาก็เพื่อมาแก่ภายหลังต้องมาอกหักเพราะความสาวให้ความหนุ่มมาก็มาแก่ภายหลังต้องมาอกหักเพราะความหนุ่มให้ความแข็งแรงมาก็ต้องมากแก่ชราภายหลังต้องมาอกหักเพราะความแข็งแรงสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อบุคคลใดเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง <c oughs> บุคคลนั้นย่อมอกหักพราะไปหวังจากสิ่งที่เขาไม่ให้เราหวังเราจะไปหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ให้เราหวังเราจะไปหวังอะไรจากสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามปารธนาสังขารและธรรมคือร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสังขารสังขารเนี่ย มันแปลว่าความปรุงแต่งมันปรุงแต่งจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟท่านลลมมาผสมกัน <c oughs> มันไม่มีของเราจริงความสุขของโลกก็ให้มาเป็นเหยื่อล่อทั้งนั้นปลาทั้งหลายเนี่ยเวลาจะกินเบ็ดเนี่ย <c oughs> ปลาเนี่ยไม่ไม่มีปลาตัวไหนที่ตั้งใจจะกินเบ็ดปลามันตั้งใจกินไส้เดือนแต่พอกินไส้เดือนแล้วมันติดเบ็ดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะละเบ็ดเนี่ยเราต้องตัดใจจากไส้เดือนด้วยเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษว่าโลกนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัย แต่ทำไมเรายังติดอยู่ลนะ่ะที่ยังติดอยู่เพราะมันมีเหยื่อล่อเอาไว้สุขเวทนาคือเหยื่อล่อให้เราจมปักอยู่ในทุกข์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น <c oughs> ความสุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้บุคคลต้องไปทนทุกข์ใสเดือนนี่แหละ เป็นเหยื่อล่อให้ปลาถูกเบ็ดเกี่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทุกเห็นโทษในโลกนี้เราต้องสร้างกำลังใจสร้างกำลังใจที่จะละเหยื่อของโลกเหยื่อของโลกก็คือสิ่งใดที่ทำให้เกิดสุขเวทนานะเป็นเหยื่อของโลก เมื่อเรากำหนดอย่างรู้ทุกขเวทนาเวทนาคือทุกขเราจะเห็นโทษเมื่อเห็นโทษในทุกเนี่ยจะต้องมาลักมาละตรงสุขวางอุเบกขาอย่าไปเสวยความสุขต้องต้องสร้างจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นจิตใจที่จะละความสุขได้ ต้องมีสติปัฏฐานจิตของคนทั่วไปถ้าไม่ได้รับการพัฒนากําลังใจจะเข้มแข็งไม่พอที่จะละความสุขสุขเวนาเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษของโลก อันนี้ก็เกิดความเบื่อหน่าย <c oughs> ความเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นพลังให้เราเกิดความเพียรแต่ความเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ธรรมะนะความเบื่อหน่ายเนี่ยตราบใดที่ยังมีความเบื่อหน่ายแสดงว่าเรายังมีความอยากอยู่คือเรายังตัดความอยากไม่ได้ เรารู้สึกว่ามันเป็นโทษแต่เราตัดไม่ได้เราจึงเห็นเราจึงท้อแท้อะไรเบื่อหน่ายธรรมะตัวแท้คือตัวเบกขาไม่ใช่ตัวเบื่อหน่ายแต่ตัวเบื่อหน่ายเป็นเบื้องต้นให้เกิดให้บุคคลอดทนทำความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ แต่จะพ้นทุกข์จริงๆต้องด้วยตัวอุเบกขาอเบกขาไม่เข้าไปสวยสุขแล้วก็ต้องถอนความมีตัวมีตนในอุเบกขาด้วยไม่มีตัวเราของเราอุปาทานขันธ์หนึ่งคือความยึดมั่นในตัวตนม่นมีตัวตนเป็นผู้รับมันก็ต้องยินดียินไลยันวันยัน้าำ อันนี้จะลาความมีดีนไลนมันก็ต้องฝึกละอุปัต